เรื่องชีวิตเจรัยตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมพโชติปัญโยเมื่อฉันได้มองเห็นเข้าหามร่างของสุลิมาออกจากเรืองไปความคิดของฉันได้แวะไปถึงครั้งกับโนนมันเป็นการสูญสิ้นที่ช่างเหมือนกันจริงๆผิดกันแต่ว่า ร่างหนึ่งโผพาไปเพราะความตายส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นจากผ่างแม่ไปทั้งที่ยังเป็นปนผู้ที่นำลูกออกจากเรือนไปถึงสองครั้งสำหรับฉันมีข้าเหมือนกับเพชฌฆาตเท่ากันเป็นเหตุที่ฉันหมดความรู้สึกลงเอกวาระหนึ่งแต่ถึงกระนั้นความตายของลูกสลิกมาก็ยังเป็นบาดแผลที่ ให้ความเจ็บปวดได้ไม่เท่าแผลแรกชีวกแผลเร็กที่ฉันคิดถึงมากเป็นบาดแผลในหัวใจเพราะแม้ฉันจะได้รับความเสเทือนใจเพราะว่าสลิมาตายจากไปอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะลืมดวงตาคู่นั้นกับรอยปานแดงรูปประหลาดที่อยู่ใต้คางชีวกร่างสัมสถานหัวใจราวกับโูกบีบอย่างรุนแรง บรรยากาศภายในห้องนั้นวังเวงอย่างลึกลับลมที่พัดมาประทะยอดเพลค์ภายนอกฟังก็เส่าคล้ายเสียงที่ราบลั่ที่ลอยมาจากแบงไกลขอให้ฉันให้เอมสักหน่อยสิชิวชิวชวได้เตืมจากพวังรีบประคองร่างของหล่อนให้เอมราบไปกับที่นอนจัดหมอนให้หนุนอย่างสบายสายตาของคนไข้เ็นเน้ลอยู่ที่เพดานห้อง เหมือนกับจะรวบรวมเหตุการณ์ในอดีตมาระ บ, บายไว้ให้เป็นภาพอย่างชัดเจนแล้วนางก็กล่าวต่อไปว่ายามใดที่ฉันได้รับอิสระจากอำนาจของผู้ผีปีศาจ ท, ที่เข้ามาครอบงำจิตใจของฉันได้แล้วฉันเป็นนึกสะจยดสยองในพฤติกรรมของตอนเองเห็นตนเองเลวไปกว่าสั์เดรชาครั้งหนึ่งฉันได้ไปเห็นแม่สุนัมันกาลังให้ลูกของมัดกินนมยก ลูกมันมีตั้งห้าตัวมันยังยื้นแอนอกแอนถานให้ลูกมันโดดมันถึงทั้งตีนยันส่วนแม่นั้นก็ผอมหน้ามันก็มองข้างหน้าข้างหลังเพื่อระวังภัยให้แก่ลูกของมันที่ตัวมันเองมันเป็นสัตว์แท้ๆมันก็ยังเลี้ยงลูกของมันได้ฉันนึกเสยดสยองพฤติกรรมของตนเองเห็นตนเองแล้วไปกว่าสัตว์เดรัจฉาน ครั้งใดที่ฉันได้เห็นแม่สุนักกำลังให้นมลูกของมันอยู่ฉันไม่กล้าจะสบสายตากับมันเพราะฉันคิดว่านางสุนักตัวนั้นมันมีชีวิต อ, อยู่อย่างน่าภาคภูมิใจมากกว่าฉันผู้เป็นมนุษย์เสียอีกน่าละอายพระท่านว่าคนทำความชั่วตายไปแล้วตกนรกจะจริงหรือไม่ฉันไม่ทราบชีวะแต่ฉันก็ได้ตกนรกแล้ว ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ต้องตายแม้คุณงามความดีที่ได้เกิดทำขึ้นภายหลังก็ไม่อาจจะลบรอยร้าวรอยบาปที่ตรึงตาอยู่ในจิตสำนึกได้ฉันสิ้นหวังที่จะได้ยกชีวิตขึ้นให้พ้นจากขุมนรกจึงได้จะมอบความหวังนี้ไว้กับวสวรรภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนขอประทานโอกาสให้ได้พบลูกที่แม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเป็นๆโอ้โอ ขอให้เทวดา้าดินได้บันดาลให้ลูกข้าพเจ้าอย่าได้ตายจากไปขอได้พบหน้าลูกเธอสักครั้งเพื่อจะได้สารภาพความชั่วช้าหาลืหงุดของแม่ที่มีต่อโลกอนิจากระทังสิริมาก็ได้จากไปอีกคนแล้วสวรรค์ก็ยังไม่โปรดฉันเลยชีวกหล่อนเรียดชื่อเขาด้วยน้ำตาเสียงแผ่วโผล่ราวกับจะสิ้นแรง นี่แหละคือสาเหตุที่มาสกัดกันความปีติโสมณ์ของฉันเมื่อกระทำความดีทุกครั้งฉันไม่เคยได้รับความชื่นใจช่วยชีวิตช่วยชีวิตของฉันนี้ฉันที่ว่าไม่มีความดีอายอีกแล้วที่จะมาช่วยให้ฉันได้มีความชื่นใจได้ฉันเป็นคนบาปหนาเป็นคนที่สวรรค์สาบโอ้โฮเห็ดดวงตาคู่นั้น ฉันจ้องมองฉันอยู่ทุกขณะจิตสำนึนกรูอัสรพิษที่แผ่พังพานรอยปานแดงรูปนั้นก็ยังเฝ้าฉกหัวใจของฉันต้องสะดุ้งจุดทุกวันคืนพอสิ้นกระแสเสียงรันทดอันร้าวรานใจนั้นคนไข้ก็ตะลึงลานเพราะอาการประหลาดของหมอชีวกเขาาวาลงกอดห้างล่างของหลอนศพศีรษะ หลงกับทวงอกอันเหี่ยวหอยโกรยแหลงน้ำเสียงเร่ร่ำละลัฟังเต่ไม่เป็นภาษาแม่แม่แม่จานี่คือแม่ของฉันดวงตาของแม่คู่นั้นอยู่ที่นี่แล้วโอ้สวรรค์น้ำตาอุ่นๆไหลพลากลงสัมผัสกับอกขนไข้เขาสะอึะอเสืีอเหมือนเด็กทารกเขาได้พบแม่ของเขาตลอดเวลาที่เขาปาทถนารอคอย อะไรกันชีวกนางเอ่ยถามเมื่อได้สติเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วแง้งหงชี้ให้คนไข้ดูที่ปานแดงรูปอสรพิษแผลพังผ่านที่หยุดใต้คางหลอนได้เพ่งสายตาอันเลือนลางมองดูอย่างพินิจพอเห็นขนัดก็ผวาลุกขึ้นอย่างเลิมตัวสวมร่างของชีวกไว้เต็มอ้อมกอดร้องอย่างสุดเสียง ลูกหลานของแม่โอ้สวสรรค์โปรลูกหลานของแม่เพียงเท่านี้สติสัมปชัญญะก็ได้ดับฟุ้งร่างอันซุบซีดอิดโรยล้มพ้อยหลงแน่นิ่งไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเป็นบทบาของชีวิตที่โลดเต็นอยู่บนเวทีคือลอกนีแองอ๋อดวงตะวันใกล้อัสดง พอแสงแผ่ซ่านอยู่เหนือแผ่นโลกพื้นพิภพดูดอาบด้วยสีทองอาราัรมกลุ่มราชคฤหงามราวกับว่าเนรมิตยอดมเทียนปราศาสอันวิจิตรด้วยทองคำสะท้อนแสงอยู่วัววาวท่ว า, ามกลางกำแพงปราการแห่งธรรมชาติโดยมีขุนเขาล้อมรอบนคร อ, อยู่ห้ายอดส่งเงาทามืน ทอดลามไปในทางด้านที่ตรงกันข้ามกับดวงตะวันนั้นดูไปหนึ่งว่าดวงมุกดาทรงประกายอยู่ในเรือนผมสตินอกพระนครห่างออกไปทางทิดอุดอนม่ไก่นะ้ำเป็นลาวป่าที่ขีว้วระจีด้วยตืนชาติและแมกมม้และลิะ้ยวไปสดตรงป่าไผ่ที่วูวว้ ว, วิวิเวก มันเป็นปลาไผ่ที่วู้วีวิเวกด้วยสายลมซึ่งห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านเป็นที่ห่างไกลจากสรพสสำเนียงเสียงอันเยื่อจวดสระล่างมีน้ำใสป่านแ ก, ก้วกระเพื่อมแพวอยู่ด้วยแววแสงแดดในยามเย็นลึกเข้าไปลึกเข้าไปพระภิกษุษสงฆ์กำลังทำความเพียร มีวนาอยู่ในกุฏิสองอยู่ใต้เงรบเงาแห่งแมฆไม้บ้างก็ น, นังบางก็เดินจกะกมกุฏิเป็นกระท่อมเล็กๆ เ, เรียงรายอยู่เป็นระยะระยะเป็นบริเวณที่เงียบสงบจากการสัญจดเว้นแต่เวลายเย็นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะปรากฏมีฝูงชนหลางไหลมาจากที่ต่างๆเหมือนฝูงพิหกบินมาสู่ร่มเงาสาขาของต้นโพไซจะตัด ชีบกน้ำตาอาบหน้าไปหาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าว่าได้พบแม่แล้วก็ได้สิ้นใจอยู่ในอ้อม อ, อกไม่สามารถที่จะรักษาแม่ให้หายรักษาคนอื่นตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ชีวกร้องไห้คำควรไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้เทศนาให้ฟังชีวบเคยมีทุกข์เพราะรักมาลินีที่สาเกต บัตตรีความทุกข์อัน ร, าร้าวลาเพราะการพักพักจากแม่ร้องให้ทำไมชีวกถึงแม้ว่าแม่จะตายจากไปแต่ชีวิต น, นั้นเลือดเนื้อของชีวกได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อพ่อและแม่ยังอยู่ในตัวของชีวกชีวกสร้างแต่คุณงามความดีพ่อแม่ก็ย่อมไปโศ่ที่ดีที่งามชีวก โตเศษโธบุตรอันประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ชีวกเป็นบุตรที่ประเสริฐดีแล้วอย่าได้ร้องไห้เสียใจไปเลยชีวกชื่นใจในคุณงามความดีเถิดจงสร้างตนเองให้เป็นคนที่ดีชีวกเช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะเีกต่อไปฟังทำกันนั้น จนถึงอริยสัจีได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้ก่อเจดีย์ชื่อว่าสารวาดีบรรจุกระโดกของแม่ได้กล่าวไหวทุกวันนี้คือตัวอย่างลูกที่เชื่อฟังคือลูกที่ประเสริฐแม้แต่ไม่เคยเห็นหน้า ก็ได้พบเพราะอำนาจแห่งบุญยาวาสนาบารมีที่ได้กระทําสาธุชนลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายในวันแม่เช่นนี้ขอให้เธอทั้งหลายได้คิดว่าเราจักเป็นลูกที่ประเสริฐคือลูกที่เชื่อฟังเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่ เชื่อฟังกูบาอาจารย์เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าที่เทศนาว่ากล่าวในสิ่งที่ดีเที่งามแล้วก็จะเป็นบุตรที่ประเสริฐเป็นศิษย์ที่ประเสริฐจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นหายาที่ดีของพระศาสนาส่วนลูก ที่ไม่เชื่อฝังนั้นแม้แต่จะร่ำรวยเท่าไหร่ก็ตามจะดีกว่าพ่อกว่าแม่จะมั่งมีสีสุขจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะจบปริญญาเอกหรือว่าโพสต์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์พิเศษก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเพราะว่าความดีเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องวัดของความประเสริฐของโลก ลูกจบปริญญาอาจจะทําให้พ่อแม่ได้ร้องไห้ตอกนาลกเพราะการกระทําการพูดการคิดวันนี้วันแม่ของเราได้มาถึงเรามาและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เพียงวันนี้เราจะต้องระลึกตลอดไปดังที่หลวงอาได้เทศนาว่ากล่าวให้ฟังนั้นนักเรียนทั้งหลายที่กําลังร้องไห้อยู่ก็เช็ดน้ําตาให้เหือดแห้ง มาฟังเรื่องราวอีกต่อไปถึงลูกที่ไม่เชื่อฟังจะเป็นลูกที่เปเสดได้ยังไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องจริงที่เกิดไหม่มาแล้วในอดีตไม่ใช่นิทานและเรื่องชีวมนี้ก็ไม่ใช่นิทานล้วงอาเคยไปที่อินเดียมาแล้วและก็ได้ไปที่ชีวกรรมพวันได้เห็นซากสลักหักพัง แห่งโรงพยาบาลสงที่นายชีวกได้สร้างขึ้นและได้เห็นสร้างแห่งสาราปตีเจ ด, ดีที่ชีวกได้สร้างใส่กระดูก ข, ของแม่บัดนี้เรามาดูเรื่องราวลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแกขอมอละหกเรื่องมีเรื่องเล่าไว้เมื่อไม่นานมานี้พอจะจำได้ในสมัยเริ่มต้นกรุงเทพใหม่ๆยังไม่เจริญเพียงพอ เมืองอุบลเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพมาเป็นที่ไว้ใจไว้พระหฤทัยของในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่สามที่สี่มานี้จนถึงตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลที่สามที่สี่ในพระราชทานพระนามเมืองอุบลว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งพี่น้องของพระราชาเพราะว่าเมืองอุบลได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพ การศึกษาวิชาการต่างๆของชาวอีาสานต้องไปที่เมืองอุบลเมืองอุบลได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาจากรัตนโกสินร์และถือได้ว่าเมืองอุบลนั้นเป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมประเพณี แห่งชาวอีสานได้อย่างลากลงอุบลแล้วก็ได้แพ่ขยายออกมาเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของคนโบราณจะไปเรียนหนังสือใหญ่บาลีวยากรมูลกระจายมูลมาลาอะไรต่างๆอาขยะตัดทิศอะไรต่างๆต้องไปที่เมืองอุบลที่บ้านไผ่ใหญ่บ้านน้องหลักน้องตอบ้านเที่ยมเพอม่วงสามสิบและเมืองอุบลยังเป็นแหล่งนักป่าราชบัณฑิต มีนักป่า ด, ดังๆเกิดขึ้นที่เมืองอุบอนทั้งนั้นในสมัยนั้นมีหมู่บ้านท่อแข่งหนึ่งของเมืองอุบลนชาวนาสองผัวเมียมีลูกสองคนเป็นลูกสาวคนหนึ่งและก็ลูกชายัวปีลูกชายนั้นเมื่อจเจริญเติบโตมาแล้วก็เข้าโรงเรียนจบโรงเรียนชั้นป .4 แล้วพ่อแม่ก็เอาไปบวช หมดแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบนักคำเอกที่เมืองอุบลจากนั้นเมืองอุบลก็จบแค่นั้นต้องไปเรียนต่อกรุงเทพเนน้อยก็รักการเรียนพ่อกับแม่ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อยอมยากแม่ยอมจนยอมอดทนตัดกินก้อนเกลือเพื่อลูกยอมที่จะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยส่งลูกเข้าไปเรียนในกรุงเทพ อยู่ในวัดหนึ่งฝั่งคนบุรีฟ้าแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยนั้นกรุงเทพก็เพิ่งจะเริ่มเจริญการไปมาหาสู่กรุงเทพส่วนมากในระหว่างกรุงเทพก็อาศัยเออรือตามคลองรถแท็กซี่ก็มีแต่ก็ไม่มากสะพานก็เริ่มจะมีแต่สะพานาพุทธยอดฟ้าส่วนสะพานอื่นข้าแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่มีสามเณรคนนี้ขออาภาัยไม่ออกชื่อ ก็ได้ไปเรียนหนังสือในที่สุดก็เก่งมากจนจบมหาเลยก้าวประโยคเลยได้เป็นพระแล้วจบก้าประโยคได้เป็นเจ้าคุณส่วนพ่อและแม่นั้นก็ทํานาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เดินกับน้องสาวอยากจะได้เงินเขียนจดหมายมากราบเท้าโยมพ่อโยมแม่ที่รักและบูชาของลูกผู้จ่าดีมากลูกขาดแขนเงินทองจะซื้อหนังสือนังหาซื้อผ้าสบงจีบอล ทุกครั้ได้เขียนมาถ้าพ่อไม่มีพ่อก็ไปยืมไม่มีจะจัดก็ขายงวขายวายแล้วก็เช่าวงวเช่าควายคนอื่นทํานาสามพ่อลูกพากันอดนทนทําไร่ทํานาแล้วต่อมาได้ทราบข่ า, ขาวลูกจบประโยคเก้าได้รับพระราชทานอ่าเป็นเจ้าขุนราชทินานามอย่างดีเจ้าคุณผู้ใหญ่ผู้จบประโยคเก้าแล้ว ก็ยังไม่มากลับบ้านแต่ก่อนเป็นมหากลับมาบ้านทุกปีพอเริ่มเป็นเจ้าคุณแล้วไม่กลับมาเพราะว่าท่านเจ้าคุณมีคนห้อมล้อมแหหน้าแห่หลังไปไหนมีคนเอาอกเอาใจใหญ่มากเลยเจ้าคุณก็เลยลืมบ้านลืมช่องลืมบ้านเกิดเมืองนอนไปพบแสงสีรูปเสียงกลิ่นรถอันตานิรตวิจิตในเมืองหลวง เลิมคิดถึงบ้านนอกเลิมคิดถึงแกงหน่อไม้แกงจุจิหนึ่งดอกกระเจียวลักษณะเช่นนี้ตามบ้านนอกสูญสิ้นไปหมดกลิ่นโคลนสาบควายตามท้องทุ่งไม่มีในสามัญสำนึกของท่านเจ้าคนแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกไม่กลับบ้านสองพ่อเท่าและแม่เท่าก็พากันปรึกษาว่าเท่าเออเป็นยังลูกเข้าจังมองมาบานมาส่องน้องวะทัศ ได้เป็นเจ้าคุนแล้วคือบ่ม่ายามเข้าแนื้ลูกเข้านี่คือทอดลูกไปขอเ่าเข้าไปหาเยี่ยมลูกเข้าเถาะสองผู้เท่ากันคืนก็นอนคุยกันจะไปเยี่ยมลูกส่วนเท่าผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเออดีเนาะจังี้จังไดเข้าเกษตรไปเห็นกรุงเทพลูกเข้าเป็นมหาลูกเข้าเป็นเจ้าขุนแล้วเข้าไปเยี่ยมลูกเข้าส่วนลูกสาวนั้นก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกยา แบบเมืองอุบลน่ยขยันกันก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่พอในสภาพพยายามอ้ายซึ่งเป็นจะคุณแล้วเพิ่นคือสัญญาคือสิบวันเมาพยามเข้าเข้าพยยามอ้ายเนาะน้องสาวก็ดีใจกําลังเป็นสาวเลยคิดถึงเพราะว่าเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ทาไร่ทํานาทุกยากส่งเงินไปให้พี่ชายบันนี้ก็จะได้ไปเยี่ยมพี่จะได้ไปเห็นกรุงเทพนี่คืนนั้นอากาศหนาวมาก ในต้นเดือนอ้ายเมืองอุบลนิลมพัดมากใกล้กทางฝั่งแม่น้ำโขงลมพายุลมหนาวได้พัดผ่านมาจากฝากฝั่งแม่น้ำโขงด้านประเทศลาวได้หอบพิ้วเอาความหนาวในแพ ป, ปกคลุมมาทั่วทั้งพื้นแผ่นดินเมืองอุบล น้องสาวนอนไม่หลับในผ้าห่มไม่น้อยอันหอมหวานพิกไปพิกมาจนดึกเด่นขอนคืนจนเสียงไก่คันความคิดของหล่อนล่องลอยไปไกลถึงกรุงเทพซึ่งไม่เคยเห็นว่าจะได้ขึ้นรถไฟจะได้เห็นจีสเกตเห็นสุรินทร์เห็นบุรีรัมย์โคราชแล้วก็จะผ่านดงพญาเย็นพี่ชายเคยเล่าให้ฟังเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพยาเห็นกรุงเทพไปหาพี่ชาย พี่ชายอาจจะมีเงินมีทองเป็นเจ้าคนซื้อเสื้อสวยๆงามๆให้เราใสา่เธอนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพี่ตื่นเต้นที่จะได้ไปกรุงเทพส่วนสองพ่อกับแม่ก็เหมือนกันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาตำห ม, มาพ่อเท่าลุกขึ้นมาพันกอกยาใบตองศกเสียงไก่ขันจูนสว่างแม่บอกว่าบอกเจ้าว่าหันในนอนบว่าสันคือตื่นแต่เ้าแทม้มน อ้ยอยคอยนอนบาลับคือคือห่อหลอกเข้าเขาเดินไปหาหลูกนะบอกกันทั้งสองสามมื่อคอยฟันเห็นแต่หลอกตัวเถ่าอาจารย์อ้ยอยคือห่อหลอกนอนบารับจะนี่นจยงใดกัดเข้าไปเนาะไปมือเลกไปแจ้งคนบออาจารย์เข้าไปกันงคืนแล้วก็ไปแจ้งกรุงเทพย่างมือเสาร์หลูกวอลให้ฟังอจารแล้วเขา็สด้ไปหาหลอกเข้า แล้วในกลางวันผู้เป็นน้องสาวก็ซักผ้าซักผ่อ น, นเตรียมไม่หมดกลางคืนสามพ่อลูกก็พากันไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟวาเรนชำราบออกมาจากบ้านนอกมาถึงรถไฟเปินวูดแล้วก็วิ่งออกเฉสจากสถานีวาเรนชำราบมุ่งสู่กรุงเทพในคืนนั้นพ่อกับแม่ก็นั่งสัตตงกส่วนน้องสาวก็หลับบ้างตื่นบ้าง ตื่นเต้นต่อสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นและรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ถึงกรุงเทพมหานครพูดภาษาไทยกลางก็ไม่เป็นแท็กซี่สมัยนั้นก็ยังพอมีศิลธรรมก็มีคนอีสานเฝ้าอยู่ถามว่าไปไหนครับลุงครับป้าคนลาวีสังบอกไปไซครับพอ่อยายลุ่งฟ้าติดไปไสองเข้าผู้ภาษาไทยกลางก็เป็นบอกว่าสิไปยามลูกไส้ยอยู่ฝั่งทนจังหวัดนั่นวัดนีข้าพอไปแน คนอีสานด้วยการพูดกันโดยเรื่องก็หากันไปขึ้นแท็กซี่ข้ามไปก็ไปส่งถึงวัดพอดีวัดนี้ปัดนี่เลยครับลุงลูก้ายคันวาอยู่วัดนี่ก็เป็นวัดนี้ก็พาไปส่งปรากฏว่าในขณะที่ไปส่งนั้นท่านเจ้าคุณกําลังมีแขกล้อมหนะ้าล้อมหลังกํา ล, ลังฉล้ อ, ลงลองงานอะไรกันนะไปถึงก็ไปถามว่าเจะคุณมาหาแดงคนอยู่นี่บอรถามว่ามาหาแดง มหาแดงคนอยู่นี่บอพวกคนส่วนมากเป็นคนทางภาคกลางก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหรก็รู้ว่ามาหาแดงนายอยู่ที่นี่ท่านมีงานท่านมีแขกเยอะอยากไปหาท่านไม่ได้ก็พอดีมีเนน ร, รับใช้เนรโอปหากมารับกรอบบอกว่าน่น้อยจยากคุณมาหาแดงคนอยู่บอเนนนั้นเป็นเนรภาคอีสานบอกอยู่พอออกมาแต่ใสขึ้นสิเม็นมาแต่าทางบานเฮาน้ออะไรต่า ออกพาธ์ิบาลเฮามาเยี่ยมลูกทรายภาพพอออกเขาไปยามในยบอกเดี๋ยวจะพาเดอร์คอยสิไปถามเพื่อนว่าท่นสามเณีนี้ไปถามไปกล่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับมีโยมมาหาจากบ้านนอกหนุ่มตางเต่งทำขาดเสื้อพาปุบปุบปากสอบยาใบาตองแล้วก็มีโยมผู้หญิงเคี้ยวหมากปากดำน้ำมามีโยมผู้หญิงเป็นสาวหน้าตาเหมือนมืนกับ ถ้าท่านจะคุณมาหาทนะ่านคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องอยากจะมาพบท่านมาหามีแขกเราก็บอกไปบอกเขาก่อนบอกว่ายัางไม่ว่างให้เนนจัดที่รอก่อนที่กุติของเนนก็ได้ก็เลยรออยู่กับเนนไม่มีเวลาว่างท่านเจ้าคุณคอยรับแต่แขกมีแต่ผู้ดีเศรษฐีเดี๋ยวรถเก๋งเดี๋ยวโน่นไอ้นีน่นมาท่านมาหารู้แก่ใจว่าคือพ่อเขือแม่ แต่เป็นลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกไม่เชื่อฟังตนเองเก่งได้เป็นมหาเป็นเจ้าคุณแต่กลัวเขาจะรู้กําพืชว่ามาจากป่าจากดงจากบ้านนอกกลัวเขาจะดูถูกเหยียดหยามพ่อโสบยาใบตองแม่เคี้ยวหมากปากดำาๆผู้ภาษาไทยไม่เป็นไม่ยอมเปิดโอกาสให้พ่อแม่มาหาตั้งแต่เช้าจนสายจนเที่ยงเนนั้นก็สงสาร ก็เอาข้าวไปให้เอาอะไรไปให้บอกพ่อออกเอ้ยอดทนเอาเจ้าหน่อยแขกเพิ่นหลายเพิน่พนว่างกันไปวะทันโอ้ยพ่อพอไปยามเจ้าหน่อยบไดายบ้อทันโอ้ยบไดาดอกเพิ่นเสียให้เพิ่นมีแขกหลายมีแต่เจ้าแต่นายมีแต่คุณ่ายมีแต่พวกเจ้ า, าพวกขนเข้ า, าไปยามเพิ่นว่างซะก่อนวะทันจนทั้งบ่ายจนถึงค่ำลูกพ่อนี่จะไปเองก็ไปมัน ในที่สุดก็เห็นว่าลูกอยู่ในกุฏิเนี่ยมีคนเข้าคนออกไปเลยดีกว่าพ่อกับแม่ก็พาไปไปเลยพาวงของคนทั้งหลายไปพวกคุณหญิงคุณนายไปกลับโอ้ยแม่มาหอดแต่เศร้าบได้นอนเบิดคดขื่นคอกับบริณนอนเกิดหอนลูกจ้าเมนเจ้อรี่เจ้าอักนาลานนอ้อนทั้งจะคุณนี่ก็ชีนนะ้หน้าเลยออกไปออกไป โยมมาจากไหนเธอเลอะตลาบอกเนนไปไหนบอกพาโยมนี่ออกไปก่อนมาจากไหนค่อยว่ากันใหม่ฉันไม่มีเวลาตอนนี้แขกเยอะพันเจ้คุณบรรดาลโทรสะชี้หน้าด่าเท่าบ้านนอกออกไปสองเท่าก็ก้มหน้าออกไปมองกันแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลโอ๊ยเสียแห้งเหลียงปูปลาสินตอนเหลียงไงแล้วคุณเท่าสางบบนี้ไล่นี้คือหมูคึบบมา ไล่พ่อไล่แม่ออกมาเหมือนไล่หมูไล่หมาเหมือนฝับเดลฉานะสองเท้าก็นั่งร้องให้ใส่กันน้องสาวก็ร้องไห้โอไอ้ไอ้เท้าบ็คือเก่าบาดเนี่ยว่ำข้อมเท้ากับโเป็นว่าควอมเล่าเท้ากับโเป็นสองเท้าก็นึกได้ว่าเ่าเอ้ยโตกยากกัมาเมื่อบานเท้าสะท้อนเมืองอุบลหากิ่งจุจีจ๊นี้ยงยาเทาก็มี่ลูกเท้าอยู่ดอกลูกสาวเท้ากับมี่ เอาละไม่เห็นเท่านี้กับพ่อแล้วพักกันเมื่อสองเท่าก็ออกไปเนนน้อยก็ร้องไห้อดทนไม่ได้สงสารสองเท้าร้องไห้แล้วก็ไปส่งเรียกรถแท็กซี่มาให้ไปส่งที่สถานีรถไฟยังไม่ออกรถไฟเขาจะออกสองทุ่มต่ไมนั้นสองเท่าก็นั่งรถแท็กซี่ไปซื้อตัวรถไฟกลับบ้านพากันร้องไห้กลับบ้านไปที่เมืองอบุบล ปาก่อนว่าท่านมหาเจ้าขุนมันก็ตีหน้าหัวโขนสบายรับแขกอย่างโน้อนอย่างนี้คุณหญิงคุณนายคุณพอตกประมาณสักสามสี่ทุ่มแขกบางและแขกหมดไปก็นึกได้ถึงคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาใช่ไเรียกเนนว่าเนนเนนมานี่ไปไหนพอเนนมาบอกโยมสองคนไปไหนไปเรียกมาที่ทีเนี้ว่างเลยเห็นไหมเนนก็ร้องไห้บอกท่านเจ้าขุนครับ คุณโยอมสองคนนั้นน่ะพากันร้องไห้ตั้งแต่ท่านเจ้าคุณบอกให้ออกจากห้องก็พากันร้องไห้กลับมาลูกสาวแล้วก็ออกจากวัดขึ้นรถแท็กซี่ผมก็ไปส่งแล้วป่านนี้ก็คงขึ้นรถไฟกับเมืองอุบลแล้วท่านเจ้าคุณดังนั้นได้ยินดังนั้นก็ตกใจ น้ำตาไหลหรือร้องไห้โถพ่อแม่ของฉันฉันได้ทําบาปทากรรมที่สุดเลยทําให้พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ําตาไหลหลังน้ําตาไหลอุตสาหมาหาป่านนี้ฉันจึงเป็นคนช่วยเหลือเกินทันเดยวคนเลิกนายอันนี้ก็ขว้าได้จีวรก็แนบออกจากกุฏิจะขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ดีมันเดึกแล้วสามสีท่ทมแล้วรถไฟโจนจะออกยังไงฉันต้องตามถึงบ้านว่างเงี้ยในที่สุดทันเจอคนก็ มองซ้ายแลขวาให้ซื่อไม่มีก็เห็นแต่เรือเท่านั้นที่จอดที่ผูกไว้ข้างอุตติเพราะวัดโยริมแม่น้ำเจ้าพระยาทันเดียวคนก็ลงเรือเลยขวาไม่พายได้ก็พายจ้ำอาวอ้าวอ้าวอ้าวคนเดียวเพื่อจะข้ามฝั่งนี้ไปดักขึ้นรถทางโน้นฝั่งทางกรุงเทพ ย, ยังพอมีอยูุร์ตในขณะที่ท่านจะีุวนพายเรือลงมา ถ, ถึงกาลางลําแม่น้ำเจ้าพระยา ปรากฏ ว, ว่ามีเรือหางยาวลาหนึ่งโยงเรือมาลากเอาเรือข้าวมาวิ่งมาจากทางเหนือน้ามาด้วยความแรงและความเร็วสูงวิ่งมาแล้วก็ไม่ทันเห็นเรือของท่านเจ้าคุณชนตูมลงไปกลางลาจมลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพายาท่านเจ้าคุณก็ได้จมหายลงไปในน้ำพร้อมกับชีวิตนั้นจมลงไปใต้บาดาลท่านเจ้าคุณได้ตายจมน้ำเพราะบาปกรรมแท้แ้ ใช้เห็นไหมบรรดาลูกหลานนักเรียนวิเิษนักศึกษาทั้งหลายลูกที่ไม่ประเสริฐคือลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุมใหญ่ตั้งแต่เล็กจนต่อ เมื่อเลี้ยงต่อมาแล้วอุตสาห์ลำบากลำบนส่งข้าเรียงหนังสือทุกอย่างแค่ไหนก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าดูถูกดูแทนขอจงรักษาท่านเลี้ยงเรามาแล้วจะมาทำอย่างนี้บาปกมจนไม่สามารถแผ่นดินจะรับไว้ได้แม่คงคาแม่น้ำรับไม่ได้แม่ทรณีแผ่นดินรับไม่ได้คนที่ทำบาปทากรรมกับพ่อกับแม่ ภูเขาอันแ่กล้ำมากมีบอ่อนหนักทลณีนี้ได้หนักนักแต่กาลีร่วงลอกอันจักทรงทานได้แต่พื้นนาฬกาคนชั่วนั้นหนักแผ่นดินแผ่นดินรับไม่ได้จนแผ่นดินโศบเหมือนเทวทัศน์ท่านมหาเจ้าคุณแผ่นน้ำรับไม่ได้ต้องเรือชนตายจมในแม่น้ำเจ้าพญาอีกสองวันต่อมาศพท่านเจ้าคนก็ขึ้นเอิดรอยฟ้องทางใต้น้ําเจ้าพญา ข่าวก็ดังคลิกคอมพ่อแม่ได้ยินว่าโลกตายได้ข่าวก็ร้องไห้เป็นลมคิดถึงจะชั่วแค่ไหนจะทำให้เจ็บปวดรุนแาวเพียงใดก็ยังรักอย่างแพงว่าโลกเพราะฉะนั้นบรรดาลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึก ษ, ษาทั้งหลายได้ฟังตัวอย่างสองเรื่อง เรื่องคนที่ลูกที่ประเสริฐเพราะเชื่อฟังและลูกที่ไม่ประเสริฐแม้จะเป็นเจ้าคุณเป็นมหาก้าประโยคก็ยังถือว่าเป็นลูกที่ประเสริฐกว่าพ่อแม่ไม่ได้ยังเก่งก็เก่งกว่าพ่อแม่เพราะเรียนเก่งแต่ไม่ประเสริฐเพราะไม่เชื่อไม่ทําให้พ่อแม่ออบอุ่นใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทําให้พ่อแม่ร้อนใจเหมือนโตกนรก นาล ก, ก็ต้องเอาท่านตกลงไปในนาลกเหมือนท่านมหาตัวอย่างดังกล่าวแล้วเมื่อลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่พ่อแม่นั้นท่านหวังที่จะให้เราเป็นลูกที่ดีท่านไม่หวังอะไรมากให้เราร่ํารวยแค่ไหนท่านก็ไม่อิจฉาตาร้อน เราจะเก่งแค่ไหนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแม่ไม่อิจฉาดีใจกับลูกลูกยากจนพ่อแม่ไม่ลังเกียจลูกชั่วพ่อแม่ไม่ลังเกียจลูกไปจนในคุกในตารางพ่อแม่ก็ตามไปคนโบราณสมัยพุทธเจ้าท่านกล่าวว่านารกที่คนตกมากที่สุดนั้นคือนรกโกลลุมหนึ่งมีเชื่อว่าปุตตะปุตตะ สร้างปัญหานานาประการให้พ่อแม่เดือดร้อนใจบางครั้งก็เอาทรัพย์สมบัติมรดกที่พ่อแม่มีให้ไปทาปูยี่ปูยําไปเผาไปผานจนหมดจนเตี้ยงพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจบางคนจนหมดให้พ่อแม่ขายไร่ขายนาไปไถไปถอนเพราะการทําความชั่วไปติดคุกติดตารางลักษณะเช่นนี้ ทำให้พ่อแม่ตกนารกตั้งแต่อย่างไม่ตายเราจะได้รับบาปมากถ้าหากเรามีลูกมีเจ้าเราก็จะได้โลกอย่างนี้เหมือนที่เราทำให้กับพ่อกับแม่เราทำให้พ่อแม่อย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นบุญคุณพ่อแม่นั่นนักเกิงท่อละนีน่บาปของพ่อแม่นั่นสินักเกิงเทอร์นี่ไผ่บอย่ำแยงนมหากสินักไปหนา มีแต่บาปแต่กรรมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแกลุงหมอละหกคนบาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้กเกิดมามีพ่อมีแม่อย่างนี้แล้วท่านอุสาเรื่องเรามาจนโต อ, อย่างเนี้ยท่านอุตสาทรงซื้เราเรียนหนังสือ น, นังหาลำบากลำบนอย่างนี้จงพัชยามเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ การตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่นั้นตอบแทนกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องไปบวชเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันเิดว่าบวชแล้วจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ตอบแทนค่าน้ำนมพ่อแม่บางทีบวชไปแล้วก็อาจจะตอบไม่ได้อาจจะทำให้พ่อแม่ตกนรกหรือตนเองยิ่งตกนรกเสะยเองก็ได้บวชมาแล้วไม่ปฏิบัติตามพระธรรมตามพระวินัย มีแต่ม า, าเดืวอความโลภความอยากได้ประพฤติตัวไม่ดีไม่งามในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเป็นบุคคลหลวงโลกก็เป็นตัวอย่างที่เลวทรามและเป็นหัวหน้าที่จะต้องตกนรกของคนอืน่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นจะให้บวชตอบแทนได้จะต้องบวชประพฤติปฏิบัติรรมศึกษาธรรมะให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ทราบซึ้งแค่ไหน แล้วออกมาประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามท่านหรือถ้าหากไม่สึกเลยยิ่งดีประพฤติพอมาจนจันไปจนจิตสงบรำงับถึงขนาดว่ายังกายสังขารรำงับเย็นแตนจะเย็นโยดที่ไหนก็มีสุขแล้วก็จะระลึกถึงบุญคุณไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คนโบราณกล่อมลูกน้อยนอนเปจะมีคำกล่อมว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบูวัดใดงียงวดในสินในธรรม ในจำนำคุณพ่อคุณแม่พอ่อใดแก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาเมสิกรคำพแพงเมน่เอ้ยอืออเออมาเนี่ยกล่อมลูกน้อยให้นอนเต น, นั้นหวังอย่างเดียวให้ลูกมีศีลมีธรรมโตมาและให้ไปบวชได้สมซาบด้วยหลักธรรมอันบริสุทธ แล้วจะได้มาดึงพ่อดึงแม่ขึ้นสวรรค์ถ้าหากลูกทําคุณงามความดีไปไหนมีคนเคารพนับถือมีเชื่อมีเสียงพ่อแม่ก็พลอยสาบายอกสาบายใจเหมือนถูกเชิญขึ้นไปไว้บนสวรรค์โอ้ยจะงไหมเพิ่นเทมบุญอนะีกอย่างเนาะเหตุบุญจังใดเนาะเลี้ยงโลก จ, นะจังไดเนาะจังไดโลกผู้จบผู้ดีแถมพ่อแม่ก็สาบายใจบุตรเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปุตตะ ภาษาสันสกิตระพุระแปลว่าเต็มเต็มเต็มผู้ทําให้พ่อแม่เต็มเต็ม อ, อกเต็มใจสลายใจถ้ายังไม่มีลูกก็ยังไม่เต็มความเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อไม่มีลูกก็เด้ไปขอตามต้นโพต้นไทรขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงขอให้มีลูกเมื่อมีลูกมาแล้วพ่อแม่ก็เต็มใจเลี้ยงทุกอย่างที่ทำแล้วพ่อแม่ ก็ยังอยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนส้วยเป็นคนงามเป็นคนประพฤติปฏิบัติดีพ่อแม่หวังอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพ่อแม่ทุกๆคนหวังอย่างเดียวว่าขอให้ลูกของเราจงเป็นคนดีถ้าลูกชั่วแล้วพ่อแม่ตกนรกดังเต่าแล้วลูกตายดีกว่าลูกชั่วเพราะลูกตายพ่อแม่อาจจะร้องไห้เพียงครั้งเดียวที่ตายจาก เมื่อน า, นานไปพ่อแม่ก็ค่อยๆดีจิตใจดีขึ้นความคิดถึงก็ค่อยส่างาก็มีจิตใจปกติดีงามต่อไปแต่ถ้าลูกชั่วนั้นพ่อแม่จะต้องร้องให้แล้วร้องให้อีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกนั่นแหละเมื่องื่อนดึงพ่อแม่ลงในนรกไม่ทำให้พ่อแม่เต็มทำให้พ่อแม่ท้อง ที่นี่พ่อแม่จึงต้องตกนาลกลงนี้ถ้าหากเราทำดีๆพ่อแม่ก็ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากนาลกหลงนี้ยิ่งโดยกว่านั้นลูกยังทำให้พ่อแม่เป็นเปรตท่านต่งางยนักเรียนต่งางยไม่เกิดได้ยินในพระไตรปิฎกเล่าเรื่องนางปัญจปุตะเปรตเปรตตนหนึ่งออกลูกมาห้าคนตอนเช้าแล้วก็เอาลูกข้งห้านั้นมากิน กินลูกหมดแล้วก็เอามือล้วงเอาเนื้อตอนเองตามคอตามหลังตามเอวมากินตอกเย็นมาก็ออกลูกห้าคนผีเพจออกลูกออกมาแล้วก็กินกินลูกหมดแล้วก็กินเนื้อตอนเองยู่อย่างนั้นจึงมีชื่อว่าปันจัก ต, ตะเปตปันจกะเปว่าห้าปุตตะไปว่าลูกนั่นแหละเปตก็ไปว่าหิวกระหาย นางเปรตผู้หิวกระหายโลูกทั้งห้าลูกทั้งห้าลูกทั้งห้าลูกทั้งห้าคนเป็นความหมายบอกว่านางนั้นน่ะเกิดมามีลูกห้าคนในชาติเป็นมนุษย์แต่และคนก็ไม่มีคนดีหวังคนใดจะเป็นคนดีก็ดีไม่ได้มีแต่คนชั่วไปทํากรรมทําเค้นไปสูบยาเสพติดไปคบเปื่อนไม่ดีทิ้งพ่อทิ้งแม่นางก็เลย เป็นทุกข์ใจสาบแช่งให้ลูกนางก็เลยทำความชั่วความเลวต่อไปเพื่อเอาตัวรอดไปวันเพราะลูกทั้งห้าคนไม่เลี้ยงในที่สุดนางก็ตายแล้วก็เป็นเปรตมากินลูกความจริงนี่เป็นความหมายบอกว่าพ่อแม่นั้นหิวหิวลูกถ้าลูกไม่ดีทำให้พ่อแม่เป็นเปรตเปรตแปลว่าหิวแปลว่าโลภบางทีเขาเรียกวิมานนี่กับเปรตเปรตอยู่บนวิมาน มีเงินมีทองมากมายแล้วก็ยังหิวยังห้อยอยู่ยังก็เรียกว่าเป็นเปรตมีรถสิบลอ้อมีตึกมีห้องแอร์นอนเป็นทุกยังโลภอยากได้สิล้านร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่กัเปรตเปรตผู้นอนหิวกระหายบนวิมานในพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบเจ็ดหนังสือในหมวดเปรตวัตถุเล่าไว้ว่าวิมานนี่กัเปรต เกิดจะบนวิมานล่ำรวยทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็มีมีมีอยู่ตั้งเป็นเมืรนเนป็นปีแต่ก็ยังไม่พอใจขอลาจากจากวิมานบนสวรรค์มาเกิดในเมืองมนุษย์เขาถามว่าเธอจะไปเกิดทําไหมอยู่ที่นี่มันกะดีแล้วอยากได้อะไรก็มีบอกว่าไม่พออยากได้ก็มีแต่ไม่พอวันหนึ่งกลัวมันจะหมดฉันอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ไปทําบุญมากมาก เพื่อมันจะได้มั่งมากยิ่งกว่านี้แล้วนางคนนี้ก็เลยได้เป็นวิมานนี้กระเพดเรียกว่าเปดผู้หิวกระหายบนวิมานแต่พ่อแม่เป็นเปดเพราะลูกไม่จะหิวกระหายอย่างนั้นแต่หิวกระหายคุณงามความดีของลูกเห็นลูกชาวบ้านดีลูกชาวบ้านเชื่อถอยฟังคำพ่อแม่บอกได้ใช้ฟังเห็นลูกชาวบ้านไม่ดือ้อ ลูกชาวบ้านเชื่อฟังพ่อแม่โอ้ยลูกเราทำไมไม่เป็นอย่างนี้เนาหิวความดีของโกูกเห็นลูกคนอื่นขยันทำงานทำการลูกตนเองนอนตื่นสาย้ายขี้เกียจลังยาวโอ้ยสั่งบอกคือลูกคนเนอลูกเอ้ยพ่อแม่หิวอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเห็นลูกทะเลาะเบาแวงกันไม่พอใจกันไม่ถูกกัน พอแม่หิวไปเห็นลูกชาวบ้านเขาถูกกันตามื่อขี่กันก็หิวเป็นเปรตโอ้ยลูกเพิ่นเสมา ด, ดีแท้สิบคนเจ้าคนยกไก่ยู่ไกลกระถือกัน อ, อ, อ, อ, อ, อมอมแอมแอมลูกโตเนาะมีบอปลายหน่อยบอปลายตายบอเบอิสทีหัวยันตีนออกมา ก, กบบระบเถือกกันตานหมากับแมวโอ้ยลูกเอ้ยสร้างบอดีคือลูกเพิ่นเนาะหิว พ่อแม่ฮิวคนงามความดีของลูกโดยตลอดถ้าหากลูกเป็นคนดีพ่อแม่อิ่มตุระปุตราปุตราไปหมดเต็มทาให้เต็มให้อิ่มพ่อแม่อิ่มอกอิ่มใจลูกสมัครสมานสามัคคีรักกันฉันพี่ฉันน้องพูดกันไพเราะอ่อนหวานเมื่อมาประชุมกันอยู่บ้านใต้บ้านเหนือลูกไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ ไม่กินก็อิ่มอิ่มใจเห็นลูกถูกกันอย่างนี้ก็เรียกว่าหายเป็นเปรตอิ่มอยู่บนสวรรค์เห็นลูกขยันเห็นลูกทำงานทำการดีเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกมีชื่อมีเสียงไปไหนคนเขาเล่าลือามาโอ้ยคนนั้นคนนี้ดีแท้ๆพ่อแม่ได้ยินถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเป็นลูกของเราก็อิ่มใจ อิ่มอยู่ในอกในใจอย่างนี้เรียกว่าทําให้พ่อแม่เต็มเพราะฉะนั้นเราอย่าทําให้พ่อแม่เราเป็นเปรตอย่าทําให้พ่อแม่เราตกนรกวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่นั้นไม่จําเป็นต้องบวชบวชก็ได้ถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งดีใหญ่ถ้าไม่บวชประพืชปฏิบัติธรรมก็ดีตอบแทนบุญคุณได้แต่ถ้าบวชแล้วทาไมด่ดีก็จะตกนรกทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อด้วยเป็นอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ถ้าบวชได้ผู้ชายตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ลูกผู้หญิงก็ตกมาลกหมดนะซิเพราะลูกผู้หญิงบวชไม่ได้แต่พระพุทธเจา้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นที่เราบอกว่าบวชตอบแทนน้ํานมพ่อแม่นั้นเป็นความมุ่งหวังของพ่อของแม่เพื่ออยากจะให้ลูกในบวชจะได้ไปอบรมจิตลงใจจะได้ดีกว่าเกา่าแต่ถ้าบวชแล้วเลวกว่าเกา่าก็ ไม่เป็นที่ปาฏถนาของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเป็นเปรกต่อไปบางคนยังไม่เคยบวชอยู่บ้านไม่เคย โ, บโูบบุรีไม่เคยขายันแต่พอบวชแล้วมีแต่คนมาถาวายบุหรีดีๆมก็เลยหัดสุบบุรี่เป็นในที่ส่วนบวชหนึ่งพรรษาศึกออกมาได้อานิสงส์เป็นขี้ยา สูบยาเป็นแล้วก็พุ่งยาซองก้นกองเสียด้วยยาบุหรีก้นกองอย่างดีแต่ก่อนไม่เคยสูบพอบวจนแล้วหนึ่งพรรษาได้อานใสงสูบบุหรีเก่งแล้วก็ขี้เกียจเก็งกว่าเก่าพอบวจไปเคยสาบายกลับมายิ่งขี้เกียจอย่างนี้จะไปตอบบุญแทนคนไทยได้อย่าว่าแต่บุญคุณพ่อแม่บุญข้าวบุญน้ำที่โยมทําบุญทําทานตักบาตรให้ กุตติวิหารดิโยมสร้างกอดตอบแทนไม่คุ้มอย่างนี้แหละเขาเลยว่าเป็นหัวหน้าลงสู่นรกเป็นคนลวงโลกกุโสอยาธาทุกขหิตโตหัตถเมวะนุกันตติสัมมันยังทุปรารามะทั้งเิริยาอยู่ปัตเตติ พอมย่าขาที่จับไม่ดีย่อมบาดมื อ, อการบวชประพฤติพรมจัร์ที่ละหล้วมย่อดหย่อนย่อมลากลงสู่นรกชั้นนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดเพาะฉะนั้นการไม่บวชผู้หญิงก็ตอบแทนข่าน้ำนมได้แต่ไม่ใช่ว่าไปซื้อหนังสือยอดพระกันไตปีดก มาบูชาไปซื้อหนึ่งซื้ออภิธรรมมาบูชาและจะตอบแทนค่าน้ำนมเล่มละยี่สิบาทสามสิบาทน้ำนมแม่มีค่ามากกว่ายี่สิบาทสามสบบาทน้ำนมแม่มีค่าเท่ากับชีวิต จะมาซื้ อ, อยี่สิบสามสิบาทที่เจ๊กพิมพ์ขายมาตอบแทนบุญคุณแพ่ได้ผู้หญิงต้องสร้างหนันสงสืออภิธรรมเขาหลอกขายหนันสงนนสือ่วงนักอภิธรรมหลอกขายรวมมือกับเจ๊กคนพิมพ์มพิมผิดผิดตูคโขเป็นภาษาบาลีอ่านก็ไม่รู้เอาไปไว้ที่วัดพระก็ไม่อ่านเอาไปตั้งไว้บนเพาดานเป็นรังหนูกลายเป็นอภิธรรมรังหนูไปจะไปตอบแทนบุญคุณอะไรได้มีจะไปเสียเงินให้เขา ผูยิญิงผูชายก็ต้องตอบแทนบนคนพ่อแม่อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนแต่ตอบแทนอย่างนั้นมันไม่ได้ตอบแทนด้วยการซื้อหนังสืออภิธรรมหนังสือยอดพระไตพรตพรตักันไต ร, ตรตปิฎกตอบแทนไม่ได้ราคา30สิบาทชีวิตทั้งชีวิตจะขายไม่สามสิบาท ขายไม่ได้ชีวิตได้มาจากพ่อจากแม่คนอื่นมาถามซื้อห้าล้านเอาไปค่าทิ้งเอาไหมเนี่ยไม่เอาแต่พ่อแม่ให้ชีวิตนี้ฟรีๆไม่ได้ซื้อสักบาทเพราะฉะนั้นชีวิตมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดพ่อแม่ยิ่งมีค่ายิ่งกว่าชีวิตเพราะเราได้ชีวิตมาจากพ่อจากแม่ผู้ได้เจ้าจึงบอกว่าหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงขั้นต่อบ สองเชื่อฟังคำของท่านสามประพฤติตัวให้เหมาะสมดำรงบงตระกูลของท่านอย่าทำชื่อเสียงของท่านให้เสื่อมเสียเนี่ยสี่จัดการงานของท่านท่านมอบให้ทำอะไรก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงให้ท่านไม่วางใจได้ห้าท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่าน ถ้าอันนี้ทาได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนศาสนาอื่นอันนี้เป็นระบบสแตนดาร์ดซิสเต็มเป็นแอ็กซ์โตสแตนดาร์ดมาตรฐานที่ตายตัวว่าไขข้อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้ได้ศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกส์วอแตอสโว์อสเตอร์ก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเดียวกันท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านเลี้ยงไปหลายอย่าง เลี้ยงทางกายเอาข่าวปลาอาหารเลี้ยงท่านอย่าให้ท่านทำงานหนัก ๆ, ๆดีนวดให้แก่ท่านแล้วก็เลี้ยงอีกอันหนึ่งสำคัญนักเลี้ยงทางใจอย่าพูดจากระโชกโคหักกระทบกระทั่งให้ท่านน้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลเสียใจเพราะลูกพูดให้ร้องไห้เลี้ยงใจของท่านให้ใจท่านดีๆใจท่านสบายพูดออกไปมันขัดอกขัดใจพ่อแม่มันจะเป็นบาปเลี้ยงใจของท่านให้ใจมีอาหาร ให้พ่อแม่สาบายใจบางคนเลี้ยงแต่กายไม่เลี้ยงใจพ่อแม่พูดอะไรบางครั้งดา่าพ่อแม่แตะโกนบางคงกระดบางคนนี่กระโชกกระชากใส่แม่แม่นี่น้ำตาหลัง่งน้ำตาไหลเข้าไปร้องไห้โอ้ยกูเลี้ยงมึงมาจ๋ามันถูกมันหยากมึงดา่ากูคือหมานอโลกนอ น, งงอน้นอยใจร้องไห้บาปไหมนั่นน่ะแม่เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วพ่อเดือดร้อนอย่างนั้น ไม่บาปก็ต้อบาปแม้ตนเองก็ร้องไห้ในใจระ ว, วังให้ดีต้องเลียงจิตเรียกใจของท่านอย่าทําให้ท่านเศร้อมองใจในสิ่งไม่ดีไม่งามในการกระทําไม่ดีไม่งามในการพูดจาแหม่งามต่อมาก็ปรับพฤติว่าให้มันเหมาะสมนาลงวงะกุลอย่าให้เสื่อเสียงของข่านไรจะเป็นเสือขี่คุปเสือขี่ตะล่างซุ้มนียมันบอดีเลี้ยมจุ่มเบืงซุ้มมันเน่พ่อแม่ก็เสียไปด้วยอย่าให้มันสูญเสียอย่างนั้นทีนี้ก็ จัดกิดจกรรมการงานของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านให้ดีๆเราเป็นโอกาสดีเมื่อเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ช่วยกันรักษาเป็นเวลาที่จะตักหลวงเอาบุญมีลูกหลายคนต่างก็คอยเกียงกันไอ้คนโน้นมันจะดูคนนี้มันจะแลคนนั้นมันจะเลี่ยงอย่าเอาแย่นกันเลยพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาท่านไม่ได้เลือกคนน้นคนนี้แย่งกัน บางคนพ่อแม่เท่าแก่แล้วเท่าแกแล้วเหมือนเด็กๆนะใจน้อยๆใจดีทอมักฝ่ายใจหายนทอมักตูมลั่งเธือพุ่มพุ่มปล่อยโอนล้านกรกองไก่หนาบ้านได้ล่างกุมปล่อยตัางไตล้านช่างทันเธอตอนแก่มาแล้วใจสั้นๆใจน้อยๆเหมือนลูกเราตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนกันตรงแต่ก่อนเราเป็นลูกทันบัดนี้ทันจะเป็นลูกเราเราจะต้องเลี้ยงเอาใจเราเคยมีลูกน้อยๆเห็นไหม นิดหน่อยมันก็นร้องไห้ใจน้อยๆใจเล็กน้อยไม่ถูกใจหน่อยร้องไห้ผูดเห่าหี่เหมือนกันนะผูดบางทีเน้นน้อยเพียรใจร้องไห้น้ํำตาหลัง่งน้ําตาไหลเครียดบาเป็นตะเขียดกะเขียดใจดีทอมากฝ่ายใจหายทอมากตืมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอกเอาใจเหมือนเราเลี้ยงลูกน้อยๆท่านเลี้ยงเราแต่กอดก็อยากนี่แหละบัดนี้มันกลับกันเราก็เป็น พ่อเป็นแม่ของท่านคือเลี้ยงใจไม่ใช่เลี้ยงกายถัดเลี้ยงกายเรามาแล้วจนใหญ่เลี้ยงใจเราด้วยบัตรนี้เราก็เลี้ยงทางกายทางใจทีนี้อันสุดท้ายท่านตายไปแล้วล่วงมาไปแล้วทําบุญอู ท, ที่ไถ่แก่ท่านการทําบุญอูที่ไถ่แก่ท่านนั้นก็พอจะมองเห็นทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนกันได้ยากที่สุดก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบได้เลี้ยงทั้งทางกายเลี้ยงทั้งทางใจดังกล่าวแล้วทีนี้มีอีกอันหนึ่ง ท่านทำให้เราเกิดมาเราทำให้ท่านเกิดได้ไหมเราจะทำให้ท่านเกิดได้อย่างไงนี่ต้องคิดดูลูกหลานทั้งหลายว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบได้แต่ท่านทำให้เราเกิดมาเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเกิดมาได้เพราะว่ามันเป็นคนละอันกันแล้วแต่ความจริงเราสามารถทำให้พ่อแม่เกิดได้คือให้เกิดทางใจ ถ้าหากพ่อแม่กินเหล้าเมายาพ่อแม่หลงซื้อหวยซื่อเหลขพ่อแม่เล่นอาบายามุกหลงในทางที่ผิดมิเช้าทิศิเข้าใจผิดนอกทานองของทำถ้าลูกผู้ใดสามารถทําให้พ่อแม่กับจิตกับใจกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีเสียได้ลูกคนนั้นชื่อว่าได้ทําให้พ่อแม่เกิดเกิดทางใจ เกิดจากความชั่วเกิดจากนรกอยู่สวรรค์เกิดจากเปรตจากวิจากยักษ์จากมารมาเป็นเทวดาอย่างนี้เรียกว่าทําพ่อแม่ให้เกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุตรใดก็ตามสามารถเอาพ่อเอาแม่มานั่งไว้บ่าสองข้างให้ท่านขี้ราให้ท่านหยะป้อนข้าวป้อนน้ําวันละสามเวลาให้อาบน้ําให้บีไพ่ลูวดวันละสามเวลาจนกระทั่งตาย ชื่อว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ถึงขนาด น, นั้นก็ยังไม่สะสมกับบุญคุณพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงเรามาขนาดนั้นยังไม่คุ้มกันลองคิดดูพระพุทธเจ้าพูดนะลองคิดดูว่านั่งบ่าซองข้างให้ขี่ลาเยี่ยวรถทั้งวันเนี่ยป้อนข้าวใครอิ่มอามนาม้ําจนตลอดไปยครับชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่ก็ยังตอบแทนไม่คุ้มกับพ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่า กุลระบุตรใดกุละธิดาใดลูกผู้ใดก็ต า, ามที่ทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธประธรรมประสงในพระอริยะเจ้าในอรยิยธรรมอรยมิยวินัยที่ทุกข์ที่ตรงที่ดีที่งามพ่อแม่ไม่มีสินทั้งไม่พ่อแม่มีสินมีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่น ลูกเช่นนั้นชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสาสมถ้าเราฟังเฉยๆก็เหมือนว่าพูดเล่นเหมือนเข้าข้างตนเองแต่ถ้าเข้าใจถูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากพ่อแม่เราท่านเข้าใจผิดท่านเป็นคนสมลเลเทเมาท่านเล่นการพา น, นันวัดใหม่ข่าวพระเจ้าไหม่นุกใหม่สร้างคุณงามความดีใส่เนื้อเสิตัว นั่นก็คือผู้ที่ตกนารกอยู่แล้วตั้งแต่เป็นเป็นไปแล้วก็ตกนารกทีนี้ถ้าหากเราทำให้ท่านมีศรัทธาศรัทธาในบาปในบุญในโลกนี้โลกหนาในนารกในสวรรค์ในปาลาโลกในสมเนธพามศรัทธาในพระอริยเจ้าศรัทธาในพระดิพานว่าความดับทุกข์นี่มีจริงทำให้ไม่ต้องเกิดต้อง ขุดขึ้นมาเอกดับสนิทซึ่งอุปทานเึ่งความทุกข์นี่มีจริงทําไม่ท่านรู้ทําให้ท่านเชื่ออย่างนี้แล้วท่านพ่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกกองก็เหมือนกับเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นไปบนสวรรค์ปิดประตูนรกไม่ให้พ่อแม่ตกนรกได้นี่แหละคนโบราณบอกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบูวัดใดยิงหัวในสินในธรรมใดจานำําคุณพ่อคุณแม่พ่อใดแก้เดินขึ้นสวรรค์นั่สลารับตาแม่สีก่ก้อม ก้มใส่หูตั้งแต่ลูกไม่น้อยนอนเปหวังอย่างนี้หวังให้ลูกมาทาให้พ่อให้แม่ได้เกิดใหม่ทั้งจิตทั้งใจพ่อได้เกยดึงขึ้นสวรรค์พ่อแม่มืดมนไม่มีสติปัญญารู้จากบาบุญคุณทั่วลูกมาทำจุดตากเกยงส่องแสงสว่างให้พ่อให้แม่อย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านไปช่วยพ่อช่วยแม่ แม่ของท่านว่ากันว่าบนสวรรค์ท่านก็ขึ้นไปเทศอภิธรรมให้ฟังแม่เลี้ยงนางประชามอดีหรือพระเจาสุโธธนะถังก็ไปเทศโปรดจนเป็นพระโซโดามันสกิทาคาอานาคามีได้กเกิดใหม่จากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้า มาถึงนางประชาบดีโคตามีแม่เลี้ยงท่านอยากจะบวชพุทธเจา้าไม่ให้บวชในที่สุดนางก็ดื้อบวชจนได้เป็นนางภิกษณุณีในที่สุดก็เกิดภิกษุณีมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจา้าทางก่อสอนแล้วนางก็ได้เป็นนางภิกษุณีที่สําเร็จพระอรหรอรันต์เลยแล้วเป็นยังไงนางประชาบดีก็ามาสารภาพว่าข้าแต่พระโลกกนาาเจ้าข้าแต่พระโลกกนาาเจ้า พระ อ, องค์ได้ดื่มน้ำขีรทาวาได้ดื่มน้ำในอกน้ำนมของหม่อมฉันหม่อมฉันได้เป็นแม่ของพระโลกนาเจา้าทางร่างกายเพราะพระโลกกนาเจา้าได้ดื่มน้ำนมน้ำในอุระขีรทาราอุระทาลาของหม่อมฉันจนพระ อ, องค์ได้เจริญวัยทางร่างกายแต่หม่อมฉันก็ได้เป็นบุตรได้เป็นลูก พระโลกนาาเ จ, จ้าได้เป็นแม่ข้าหม่อมชั้นทางใจหม่อมชั้นได้เดิมอมตะพาลาคือรสแห่งพระธรรมอันไม่ไปสู่ความตายอันไม่รู้จักตายอ ม, มตะธรรมอันประเสริฐอ ม, มตะพาราที่พระโลกนาจจ่าเจ้าให้หม่อมชั้นได้เดิมได้อาบได้กินจนพ้นจากความทุกข์พ้นจากเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายพระโลกนาเจ้าก็เป็นแม่ข้าหม่อมชั้นโดยเท่ นี่ฟังถูกไหมหลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างคนต่างก็เป็นแม่กันนานประชาบอดีเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้กินนมหรือว่าเป็นแม่ทางกายพระพุทธเจ้าให้กินน้ำธรรมะอมตะพาลาจนสิ้นอาสวะกิเลสได้เป็นพระอรหันต์กะเรียว่า เป็นแม่ของหม่อมฉันโดยทําเป็นแม่ทางใจโดยแท้เราก็สามารถทาให้พ่อให้แม่เราผุดเราเกิด ไ, ได้โดยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจท่านให้เป็นคนดีภาษาหลีบทท่านบวชมาเป็นพระอรหันต์มีความรู้มากกว่าเข้าที่สุดเทศโบดคนอื่นแม้แต่เทวดาเป็นหมืน่นๆมืก็ได้น้องชายน้องสาวของท่านหา้าหกคนมาบวชเป็นพระอรหันต์หมดแต่ว่าแม่ของท่าน ไม่เคารพนับถือไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่นับถือเดรัจีปริพาชกศาสนาอื่นนอกพุทธศาสนาท่านก็พยายามทำยังไงจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นอนคิดโปรแม่ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็จะถึงวันตาย ท่านจะถึงวันตายท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าในชาตินี้เราได้ช่วยคนอื่นมาเป็นเหมือนๆแสนๆทำไมเนอเราจึงตอบแทนบนคนแม่ของเราไม่ได้เอาเถอะเราจะตายจะพยายามครั้งสุดท้ายไปลาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันจะได้ทิ้งสิริและร่างกายนี้ลงในโลกแล้วหม่อมฉันจะต้องตายนิพพานแน่บัดนี้ขอลาพระองค์ไปเป็ินิพพาน ผู้หญิทั้งกระลุทั้งกระทำอ่ะเธอจะไปปไินิพพานที่ไหนผู้ปราชาบ้านเราว่าจะไปตายตรงไหนในเมื่อเธอรู้แล้วพระสารีบุตรบอกว่าหมอ่อมข่าพระองค์นี้จะไปนิพพานที่บ้านเกิดที่ห้องเกิดอยู่ใกล้ๆกับแม่อยู่ในตักแม่อยู่ในอ้อมอกแม่ผู้ที่อยาก็บอกสาธุขอให้เธอไปตอบแทนบุญคุณแม่เธอให้สําเร็จนะพระสารีบุตรทางก็เดิน เดินไปลากเลือดไปเป็นโรคเดียวกับพุทธเจ้าทั้งกนตะเกียบตะกายไขย้ส้มตาลลากเลือดทายเป็นเลือดไปจนถึงแม่ถึงมานแม่เป็นมันเตทีแม่กระดีใจลูกมาแล้วคิดว่าลูกจะสึกแต่ลูกไม่ได้สึกลอกจะมาช่วยแม่ครั้งสุดท้ายเผื่อว่าก่อนตายได้ช่วยแม่ได้ในที่สุดทั้งก่อขึ้นไปอยู่บนบ้านโ อ, อ้ลาออกเอาเป็นอาเจียนเป็นเลือดในคืนนั้นเพระอินมาหัวคำสาว่างสาวัยไปหมดจะมารักษา พระสาลีบุตรบอกไม่ต้องมากลับไปได้แล้วฉันมีหมอดีที่สุดอยู่ในนี่หมอของฉันคือแม่ของฉันจะรักษาฉันเองกลับไปพอตกเที่ยงคืนมาก็มีคนอีกสีคนมาสาวางสาวัยมือกับกลางวันเลยมีไฟชั่วทั้งตัวคนนี้มาก็พระสาลีบุตรก็บอกกลับไปกลับไปได้แล้วไม่ต้องมาลองฉันมีหมอดีที่จะรักษาพวกนี้จะมาเอากระทน้นขี้กระท้นรากไปทิ้ง ต่อมาก็สุดท้ายคนสว่างยิ่งสว่างใหญ่มาอีกคนหนึ่งเองสว่างมากกว่าคนอื่นภาษารีบุตรก็บอกให้ไปฉันมีหมอดีแม่ก็แปลกใจว่าลูกใครมาเลามาสว่างสบายไปหมดลูกก็บอกว่าหัวค่ำนั้นพระอินตอนกลางคืนมาสี่คนนั้นเท้าจะตุโลกกาบานคนสุดท้ายนี่เท้ามหาผมจะมารักษาโอ้ลูกเก่งขนาดนั้นดิ โอ้ยอย่าว่าขนาดนี้เลยครูของลูกคือพระพุทธเจ้าพระอินเป็นสามมเนเณรน้อยเท้าจจตุโลกกบาลมหาพรหมเป็นเท่ากับสังกรีเป็นสามมันเณรโอแม่ก็เเลื่อมสายลูกแห้ทำไมไม่บอกให้แม่ทราบแต่ก่อดพ่อแม่เลื่อมสายลูกกาเทศอนุ บุพิกขาให้ฟังสุดท้ายเทศเรื่องอริยสัจสีแม่ก็ได้เป็นโสดาบันเมื่อมีศรัทธาเห็นไหมทําแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีปิติให้มีปาโมดมีปฏิสิทธิมีสมาธิมียะถาภูตายานก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเมื่อแม่บรรลุโสดาบันลูกก็สิ้นใจตาย เรียกว่าพยายามจนสิ้นใจได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถ้าอย่างนี้พระพุทธญาณสรรเสริญว่าเป็นลูกที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างฟ้าสมใจเอาละวันนี้เวลาเรามากต่างสามชั่วโมงพูดมาบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาร้รองให้น้ำตาก็เหดแห้งไปแล้วเราได้รู้จากหลายรสหลายชาติหลายชีวิตเกี่ยวกับบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บัดนี้จะได้ยุติ ขอฝากขอกล่าวถึงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าพูดแต่ลูกโยมผู้เทาหัวงอกที่มานั่งอยู่ตรงนี้นก็อย่าลืมว่าเราก็มีพ่อมีแม่และเราจะต้องเป็นผู้ทำให้ลูกเกิดทางจิตทางใจให้ดีเดี๋ยวนี้เราปล่อยลูกปล่อยล้านเราไม่รู้จักฝึกขัดดัดนิสัยลูกล้านพ่อแม่ไม่เข้าวัดเขา้าวาไม่ทำบุญตักบาตรไม่จำศีลจะทำให้ลูกเป็นคนดีได้อย่างไรไม่มีตัวอย่างเป็นเพียงผู้ให้กำเนิด แต่ไม่เป็นผู้ให้เกิดที่เรียกว่าโตเซนตีผู้ให้เกิด ว่าให้เกิดทางกายด้วยทางใจด้วยให้ลูกเกิดเป็นคนดีลูกจะได้มาช่วยพ่อแม่เกิดเป็นคนดีอีกดังที่กล่าวแล้วเหมือนพระสารีบทเดี๋ยวนี้ลูกของเราเกิดเราทําให้กําเนิดแต่กายส่วนทางใจไม่ลูกจักรักษาสั่งสอนเข้าพ่อแม่ไม่พาเข้าวัดพ่อแม่ไม่พาจำํำศีลพ่อแม่ไม่สร้างบุญงามความดีพ่อแม่ซื้อเตลเลขพ่อแม่เล่นเตะไพ่พ่อแม่กินแตะเหล้าพ่อแม่เห็นแก่ตัวมากมากลูกก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราให้โทรลาพสอน ลูกของเราให้นังสอนลูกของเรามันก็เลยเชื่อโทรทัศน์เชื่อหนังมันก็ไม่เชื่อพอเชื่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์สิหูจักหนังเจ้าเกิดตั้งแต่แห้งกินบางเยว่ผิที่เพราะว่า เขาหน้าโมอาบอุรุดอาลาดเขาดูถูกเอาเพราะเราเลี้ยงลูกใหม่เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมาคิดกันใหม่ ท, ทบทวนกันใหม่จะต้องเลี้ยงลูกให้ถูกทางสอนลูกในทางที่ดีพร้อมกันนี้ก็อย่าลืมเงื่อนไขว่าเราก็มีแม่มีพ่อพ่ อ, พอแม่ของเรามีท่านตายไปแล้วท่านก็อยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใ จ, ในใจของเราจงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างจิตของใจของเราให้มันดีๆให้เราได้ขึ้นสวรรค์คือความสบายใจพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราก็จะสบายใจด้วยไม่ใช่ว่า วันโกนก็ไม่ละวันบะไม่เว้นเห็นยายชีได้ตาเทนไม่เข้ารบสถานน้นตายไปเกิดเป็นมหอยนาไทขี้ดินไปเบอร์เบิร์กเบย หน้าตามีไม่มองดูสิ่งที่ดีเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าปานไม่ทางตาไวจะเป็นช่วยเด้อไปตึกกระดุงไปสอนมนันนี่มาเห็นพระบุได้พรอมกแล้วเนอะผัดวะเนี่ยเป็นอย่างนี้วันพระตีกองแรงตีกองดึกแนทนนี่จะใส่ชุดขาวอ้อยไปฟังเทศน้ำเพลนจำศีลไม่ไปโน่นแบกกระดุงล็อกจอกลอกจอ ก, อ ก, จอกถือเขิงลงทุ่งลงท่าเห็นพระไปบินสบายสอ้ไจะเป็นช่วยผัดวะเนี่ย แทนที่จะดีดีว่าสมณามันจะพัฒนางการได้เห็นสมณะเป็นมงคลเนี่กลับสวยถ้าอย่างนี้ตายไปเกิดเป็นหมกหอยคนว่าพระอินทร์ท่านสาบให้ไปเกิดเป็นหมกหอยบวให้เห็นฝ่ายเห็นหมองพระมาโปรยังบอกว่ามาให้สวยก็เลยสาบให้เจ้านาคำงั่มขิดินไปเนอะจะได้เห็นผ้าเห็นเจ้าจักเถอะน่ะอย่างเนี้ยอย่างนี้แหละคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลาย